กราบขอโอกาสจากหลวงพ่อกลมกราบข อ, อกาสจากพระจันยุกิกราบข อ, อกาสจากพระจันโน่กราบข อ, อกาสจากพระจันสุรินเราข อ, อกาสจากเพื่อนสาธรรมนะิกะก็เจริญพรมาอย่างแม่ชีเนาะแล้วก็พวกเราอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่มาเป็นกําลังสําคัญของศาสนาพุทธเราตรงนี้ ก็เรามากันมาเสริมกำลังให้าศาสนาพุทธกันมาเสริมกำลังให้มีคนทําคุณงามความดีกันเนะาะน่นั้นหลงพ่อมเขียนก็จะบอกมากว่าการปฏิบัติธรรมจะทําให้เราพึ่งตัวเองได้ถ้าเราพึ่งตัวเองได้ เราก็จะไม่ทําให้ตัวเราเดือดร้อนถ้าเราพึ่งตัวเองได้เราก็จะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนตรงเนี้ยก็จะได้เห็นว่าแค่เราปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเราก็จะเปลี่ยนชีวิตเราเนาะให้เป็นคนที่แบบทำแต่คุณงามความดีจริงๆก็อย่างเวลาที่อยู่ในโบสถ์เนาะในเวลาที่ หลวงพ่อเป็นเทวปชาเนี่ยหลวงพ่อก็จะพูดบอกว่าอ๋อเรามาขอบวชนะมาขอบวชเนี่ยก็คือการที่ตั้งใจละความชั่วแล้วก็ทําแต่ความดีตรงเนี้ยนะก็เหมือนกันพวกเราก็ตั้งใจเข้าวัดกันก็ตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าหน้าที่ของนักบวชเนาะก็คือประพฤติพรหมจรรย์พวกเราก็เข้ามาที่วัดกันก็ตั้งใจ กำร่ประพฤติพรหมจรรย์ก็คือทำอยังไงให้เราทำแต่คุณงามความดีไม่ทำก็เรียกว่าเรื่องราวที่ไม่ดีก็มันจะมีการกระทำอยู่แค่สองอย่างเนาะไม่เป็นกุศลก็เป็นอกุศลมีสองอย่างเท่านั้นถ้าแรงเราลงไปครั้งหนึ่งการกระทำของเราลงไปครั้งหนึ่งเนาะก็จะมีผลเพียงแค่นี้เองเนาะถ้าไม่ทำกุศลก็เป็นอกุศลมีอยู่สองอย่าง นั่นคือการที่เราปฏิบัติทำกันตรงเนี้ยก็เป็นการเรียกว่าเป็นการสร้างกุศลโดยตรงเนาะในด้านพื้นฐานก็จะเป็นเรื่องของการที่เราของเราหมายถึงที่วัดเนาะที่วัดเราที่นี่ตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนเนาะตามที่หลวงพ่อคำเขียนเนาะได้พาพวกเราทํากันมาตรงเนี้ยก็คือการที่เราเริ่มต้น ทำกันเรื่องการปฏิบัติธรรมก็จะกํากับกายไปในตัวเรื่องศีลก็เรียบร้อยไปแล้วเนาะเหลือแต่เรื่องใจเนาะตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องที่การที่หนุงพ่อเทียนให้แนวทางของการที่เราบอกว่าเมื่อไหรนะ่เนาะเรารู้ตัวว่าเราคิดก็กลับมาอยู่การเคลื่อนไหวเอาไว้ก่อนตรงนี้นะก็คือการที่เราจะคอยกํากับใจเรา ไม่ให้ใจเราเนี่ยคิดเป็นอกุศล น, นะไม่ให้ใจเราเนี่ยไปติดข้องกับเรื่องอกุศลเพราะนั้นนั่นคือถ้าหากว่าเรารู้สึกตัวครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยกายเราใจเราเนี่ยก็เป็นพรหมจรรย์ไปเรียบร้อยนะนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะัานก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอย่าให้เรื่องอะไรมาขัดขวางเนาะการทําคุณงามความดีของพวกเราตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ อยากให้พวกเราได้ได้มองเห็นนะว่าการปฏิบัติธรรมเนาะการปฏิบัติธรรมตรงนี้เป็นเรื่องที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เนาะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงชีวิตตรงนี้เนี่ยทุกคนเราเองเราก็พยายามกันมาตลอดนะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นไม่ว่าเราจะอาจจะหา รถใหม่หาเสื้อผ้าใหม่ตัดผมใหม่อะไรต่างๆน า, นานาเหล่านี้เราก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นมาตลอดแต่ว่านั่นคือเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน น, น, นั่นก็เป็นเพียงแค่รูปแบบภายนอกที่ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราได้เริ่มเนาะเข้ามาสู่สายการปฏิบัติธรรมตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเองจะได้เรียนรู้เนาะ การปฏิบัติธรรมจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อนี่ในวันหนึ่งนะบางครั้งเราอาจจะมีการตั้งใจไม่พูดกันเลยนะพอตั้งใจไม่พูดกันเลยเนี่ยบางทีชีวิตเราอาจจะมีควารมรู้สึกว่าวันหนึ่งขาดการพูดไปจะเป็นยังไงแต่ว่าปรากฏว่าการปฏิบัติธรรมก็ทําให้เราผ่านวันนั้นไปได้ด้วยดีเมื่อผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยเราก็อาจจะได้สรุ ป, ปบทเรียนนะว่าอ๋อนี่ คำพูดหลายคำพูดที่คิดว่าจําเป็นต้องพูดก็เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นคำพูดหลายคําพูดที่เราคิดมาน่าจะต้องพูดเนาะจริงๆก็ก็ไม่มีไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่น่าที่จะต้องพูดก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่การปฏิบัติธรรมก็จะค่อยๆให้เราได้เรียนรู้การที่เราอาจจะเคยอยู่กับการกินการอยู่เนาะที่ เป็นปกตินิสัยของเราตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาก็ตรงนั้นการพิจารณาอาหารเราก็เหมือนกับพิจารณาแล้วเลือกแล้วเนาะวันนี้จะกินก๋วยเตีย๋ยววันนี้จะกินข้าวผัดอะไรเราก็พิจารณาแล้วเลือกแล้วแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นเรื่องของรูปแบบแต่ว่าการพิจารณาอาหารตรงนี้เนี่ยก็ได้ชัดเจนลงไปนะว่าคำว่าพิจารณาอาหารเนาะก็คืออาหารก็คืออาหารหลวงพ่อคำเขียนก็จะบอกเอาไว้บอกว่า หลวงพ่อไม่ได้เห็นของพวกนี้ที่อยู่ข้างหน้าเป็นของหวานของขาวนะแต่หลวงพ่อเห็นพวกนี้เนี่ยเป็นอาหารที่จะกลายมาเป็นเลือดเนื้อเป็นเลี่ยวเป็นแรงของพวกเราเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยความสําคัญของก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดเนี่ยที่เมื่อก่อนเราก็อาจจะให้ความสําคัญตรงนั้นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดก็ตามเนี่ยก็จะกลายมาเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ ก็ก็เรียกว่าเป็นอีกมุมมองนึงเนาะที่เมื่อก่อนเราอยู่ในทางโลกเราก็ไม่เคยได้มองได้แต่มองของที่ชอบใจถูกใจแต่ว่าพอเวลาที่เรามาปฏิบัติทำกันสติก็บอกให้เราเนาะบอกว่าให้ละความชอบใจละความพอใจละความไม่พอใจไปซะอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยรู้สึกนะว่าไอ้ความพอใจไม่พอใจจะมีปัญหาอะไร แต่ว่านั่นคือท้ายที่สุดเนี่ยอย่างความพอใจไม่พอใจมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ทั้งหมดนั่นคือตรงเนี้ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเองก็เป็นคำสอนที่กระทัดรัดรวบรัดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอย่างโดยส่วนตัวตอนก่อนที่จะบวชเนี่ยก็ตั้งใจว่าเราอายุมากแล้วเนาะตอนบวชเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ ต้องแบบสวดสวดมนต์ให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนบวชเพราะว่าทำอย่างนนก็แบบว่ายิ่งแก่ก็ยิ่งจํายากเนาะเี้ยก็ปรากฏว่าพออ่านบทสวดมนต์เนี่ยก็สะดุดใจมากๆก็คือบทที่บ้าจนันทร์นพาสวดเมื่อกี้นะบทพิจารณาสังขารชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอนความตายเป็นสิ่งแน่นอน อ่านคำนี้ครั้งแรกก็ใจก็คัดคานเนาะคัดคานอึ้งเลยมันเป็นไปไม่ไ ม, ไม่มันไม่ใช่เลยนะชีวิตมันแน่นอนสิเพราะว่าเราก็มีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมความตายไม่แน่นอนเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่จะไม่ฮะอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ก็แบบเออบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ฮะแบบว่าเป็นธรรมะที่ ถูกต้องเนาะเราก็เออเราก็นับถือพุทธเนาะใช่ไหมเราก็นับถือพระเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเราลองใคร่ครวญดูท้ายที่สุดเนะฮะก็พบว่าคําพูดสั้นๆแบบนี้เนาะก็เป็นคําพูดที่ถูกต้องเนาะคำพูดที่ถูกต้องก็คือเกิดมายังไงก็ต้องตายอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งพระเจ้าเนี่ยมีอ่าก็เรียกว่าพระเทวทัตนะฮะก็จ้าง นักยิงธนูมาเนาะปรากฏว่าพระเจ้าได้เจอนักยิงธนูนี้ก่อนแล้วก็สนทนากันไปมายังไงท้ายสุดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถามนักยิงธนูบอกว่าถามท่านนะว่าท่านไม่ยิงเราเนี่ยเราจะไม่ตายหรือก็เป็นคําถามที่ทําให้นักยิงธนูก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะยิงพุทธเจ้าใ ห, ให้เสียชีวิต Lemon, นะฮะเพราะนั่นคือถึงไม่ยิงก็ตายอยู่ดี mm hmm. นั่นคือตรงเนี้ยนะฮะว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งแน่นอน แบบนี้นี่คือธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่พอเราไข่ครวญ น, นะฮะคำที่พระเจ้าได้ให้เอาไว้คําที่พระเจ้าให้อะไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นคําที่แบบว่าเป็นคําที่มีก็เรียกว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งและมีความหมายที่ทําให้เราเนี่ยได้เหมือนกับกนะได้ตระหนักได้ตระหนักว่าแล้วชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราควรทําอะไรยังไง อย่างบทที่พระพุทธเจ้าบอกเนาะอย่างบทอไม่ใช่บอกบทที่พระจันทร์โนธผ่าสวดบทแรกก็คือบทปัดชิมพุทธโอวาทก็คือเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าก็ได้บอกเนาะแล้วก็คําบอกตรงนี้เนี่ยเป็นคําบอกที่ได้ประโยชน์ตลอดมาเนาะสองพันกว่าปีไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยเอาเรื่องนี้มาทําเนาะก็ยังเป็นเรื่องที่ ทำให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยเนาะเป็นชีวิตที่มีความหมายเป็นชีวิตที่เป็นเรื่องที่ว่าเราเองเราก็จะได้เหมือนกับตายตาหลับเนาะเพราะเนื่องจากว่าการที่เร า, าการที่เราแบบใช้ชีวิตไม่ประมาทตรงนี้เนี่ย<อ>ก็ทําให้เราเนี่ยได้คิดถึงเนาะว่าถ้าเกิดชีวิตที่เหลืออยู่เนาะ เราไม่ทําคุณงามความดีเนี่ยเนาะแบบว่าชั่งน้ําหนักกันเนาะแบบว่าถ้าเกิดมีความไม่ดีมากกว่าความดีเนี่ยตายไปเนี่ยต้องตกนรกแน่ๆเลยนั้นนั่นคะือตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าอือเราถ้าเราประมาทเมื่อไหร่เนี่ยเนาะเราก็ใช่ไหมเกิดชาติหน้าเนี่ยต้องอยู่ในนรกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมก็เป็นเรื่องที่เราสมควรประมาทกันไหม ก็ไม่สมควรนะเพราะว่าพอเวลาที่ตกเป็นนรกก็เขาก็บอกบอกว่าร้อยวันในนรกเนาะก็น่าจะเท่ากับหนึ่งวันในสวรรค์หนึ่งวันในสวรรค์ก็เท่ากับร้อยวันในโลกมนุษย์อย่างเงี้ยเพราะนั้นนึงคือโอ้โหนะแบบว่าหนึ่งวันในนรกนี่มันยาวนานมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกว่าจะได้เวียนว่ายตายเกิดกลับขึ้นมาอีกเป็นคนอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่ เพราะว่านั่นคือพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็เคยได้เปรียบว่าชีวิตของเราเนาะที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราระลึกชาติได้เนาะก็เรียกว่าถ้าเราระลึกชาติได้เนี่ ย, อ ย, ก, ลล ก, ยกองกระดูกเนี่ยในอดีตของเฉพาะของเราไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยนะฮะที่เราเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆ น, นานามาก่อนหน้าที่จะมาเป็นคนในชาตินี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่า สูงเท่าเขาพระสุเมนเขาพระสุเมนก็คงจะเป็นหมายถึงเขายีมาลัยอ่ะเนาะอย่างนั้นก็ห้าหกกิโลเนี่ยกองกองกองๆกันขึ้นไปได้สูงขนาดนั้นอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยฮะก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเออถ้าเกิดว่าเราคิดอย่างนี้เนะถ้าเราไม่ใช่คิดอย่างนี้หมายถึงว่าได้รู้ความจริงแบบนี้เนี่ยเราเองเราก็คงไม่ปล่อยให้เวลาที่เหลือของชีวิตเราเนี่ยได้ทําเรื่องที่เป็นอกุศลอีกเพราะเนื่องจากว่า อีกไม่รู้จักกี่ขับกี่คันจะได้เกิดมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งแต่ ว, ว่าตรงนี้เนี่ยบางทีเนาะเกิดมาเป็นคนในชาตินี้เนี่ยบางทีเราเองเราก็เหมือนกับไม่มั่นใจเนาะน้องพ่อเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจตอนที่เมื่อก่อนเนาะแบบว่าเป็นเด็กๆเนาะ ก็มีความรู้สึกว่าไม่รู้เราเกิดมาทำอะไรเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่รักเนะอันนี้คิดเอาเองนะจริงๆเขาก็รักนะแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากให้เขารักเรามากกว่านี้อย่างเงี้ยนะยานนบางทีก็ไม่ใช่บางทีนะฮะมีหลายครั้งนะก็คิดอยากฆ่าตัวตายอยากฆ่าตัวตายด้วยเรื่องอะไรได้วยเรื่องเพื่อนแกล้ง <laughs> เรื่องนิดเดียวนะเรื่องขี้ประติวนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นเรื่องที่เราก็เก็บเอามาคิดเนาะอะไรอย่างเงี้ยนฮะแบบมาคิดมากคิดมาไม่น่าเกิดมาเป็นคนไม่รู้จะเกิดมาทําไมลําบากลําบนอะไรต่างๆนาะนาะนะแบบเนี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าณวันนั้นเนี่ยเราเหมือนกับว่าไม่มีธรรมนาหน้าเนาะเราก็เหมือนกับไหลไปตามกระแสโลกเฉยๆกินไปเล่นไปวันๆห น, นึงเนาะอย่างนั้น แบบว่าถึงวันก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดแต่ว่าเอ๊ะวันนี้จะไปหาความสุขใสยตัวยังไงอะไรไงต่างๆนานาเหล่า น, า น, านี้นี่ก็คือสิ่งที่แบบว่าเราไม่มีธรรมนาหน้าเราไม่เคยเหมือนกับว่าได้มาสนใจธรรมะที่พระเจ้าเนี่ยได้ให้เอาไว้คือธรรมะที่พระเจ้าให้เอาไว้พระเจ้าก็ยืนยันนะชัดเจนนะสิ่งที่พระเจ้าให้เอาไว้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าเอาอมาทําแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยก็เรียกว่า จะไม่มีทุกตรงนี้พระเจ้าก็บอกว่าสอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเนาะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเอามาเนี่ยเอามาทำเนี่ยปฏิบัติเราเอามาปฏิบัติเอามาทำเมื่อไหรเนี่ยรับรองได้เลยว่าให้ผลได้เนาะไม่จำกัดการให้ผลได้ทุกคนพระจันท์โนตเองเนี่ยก็ยืนยันเนาะว่าในอ่าก็เรียกว่าไปเปิดนะพระไตบิิดกดูคําที่บอกว่า คนเราเนี่ยเป็นดอกบัวสเหล่าอะ่ะพระจันทร์นธบอกว่าไม่มีมีแต่ดอกบัว3ามเหล่าเหล่าที่4เนี่ยที่บอกว่าไม่มีการได้ผุดได้เกิดเพราะว่าอยู่ในโคลนในตมอะ่ะไม่มีมีแค่3ามเหล่าเท่านั้นเองเหล่าที่หนึ่งก็คือที่แบบว่าฟังธทำแล้วเข้าใจเลยนะอย่างที่สองก็อาจจะช้าสักนิดนึงเนาะอย่างนั้นอย่างที่สามก็อาจจะต้องพยายามอีกหน่อยนึงแต่ว่ารับรองได้เลยว่าถ้าหากว่าคนไหนได้มีโอกาสได้ ฟังธรรมและมีโอกาสได้เอาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยรับรองได้เลยว่าแบบทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่มีทุกข์ด้วยกันทั้งหมดตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้อย่างนี้เนาะถ้าหากว่าเราฟังแบบนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าอุ้ยคนทั้งโลกแล้วจะมีโอกาสแบบนั้นจริงๆก็ไม่ใช่พุทธเจ้าบอกว่าคนที่มีโอกาสฟังธรรมของพุทธเจ้าคนที่มีโอกาสเอาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาทํา และที่สําคัญก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเองบอกไว้ว่าถ้าใครเนี่ยถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเนาะคนนั้นนะรับรองได้เลยว่ามีทางพ้นทุก์แน่นอนเนี่ยตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าเองก็ยังบอกเอาไว้นะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้สิ้นชีวิตไปเนาะสิ่งที่จะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะและวินัยที่พระพุทธเจ้าได้มอบเอาไปให้ไม่ต้องหาใครมาเป็นตัวแทน วัะนั้นก็คือทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรายังเหลืออยู่แล้วก็ยังครบถ้วนกันอยู่ก็คือเรายังมีธรรมะยังมีวินัยถ้าเรามาปฏิบัติธรรมกันและธรรมะตรงนี้เนี่ยเป็นธรรมที่เราปฏิบัติตามคําแนะนําของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็รับรองได้เลยว่าเราก็กําลังมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรอยู่ใกล้ตัวเราเนาะอย่างนี้นะสิ่งที่เราต้องทําก็คือทํำยังไงถึงจะทําให้สิ่งนี้เนี่ยมีอยู่ในตัวเรา เนี่ยตรงเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่การที่ทําให้มีในตัวเราเนี่ยเราก็ได้ทําเนาะในหลายๆอย่างในชีวิตมาแล้วเนาะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกอะไรที่เราจะทําเรื่องหนึ่งให้กลายเป็นก็เรียกว่าเป็นนิสัยของเรากลายเป็นอืมก็เรียกว่าเป็นความเชี่ยวชาญของเราเราแต่ละคนเนาะเกิดมาเนาะบางคนก็ทํากับข้าวเก่งบางคนก็ก็เรียกว่าปลูกต้นไม้เก่ง บางคนก็ซ่อมรถเก่งบางคนก็ทําไฟเก่งเนี่ยคนที่ทําเก่งๆตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเรามีวิชาแบบเนี้ยอยู่ในตัวซึ่งวิชาแบบนี้ที่อยู่ในตัวมาได้ยังไงก็คือมาจากที่เราเนี่ยสนใจหลังจากเราสนใจแล้วก็ภาคเพียรที่จะหัดเนาะหลังจากที่เราหัดเนาะมีอะไรก็ดูมีอะไรก็จับเนาะทิกซ้ายพิกขวาดูไปนะฮะอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็ทําไปตามนั้นเนาะ นั่นนั่นคือตรงนี้ทําไปนานๆข้านานๆข้านานๆข้าสิ่งตรงนี้ก็เรียกว่ามันก็มีอยู่ในตัวเราไม่ต้องเปิดตำราอะไรมีอะไรมาก็ทําได้หมดเนาะพระจารย์ยุกิเนี่ยเคยบอกอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าคนญี่ปุ่นนะ่ะเหมือนครับเขาเรียกว่าคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นหมายความว่ามีวัตถุดิดบดีๆรอบๆตัวเนี่ยเอามาปรุงเป็นอาหารก็กินไม่ลง แต่ถ้าหากว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเนอะเป็นพ่อครัวเนาะที่ทํากับข้าวเป็นเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะไม่ใช่วัตถุดิบดีเลิศเนาะแต่ว่าเป็นของที่พอทํากินได้เนี่ยพ่อครัวชั้นดีก็จะทําออกมาเป็นอาหารได้ดีตรงนี้อาจารณ์ยุกิจก็เปรียบเหมือนอย่างว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาฆ่าตัวตายวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยกว่าคนเพราะฉะนั้เพราะว่าเขามองเห็นว่ารอบๆตัวเขามันไม่มีอะไรน่าดูมันไม่มีอะไรน่าอยู่ แลชีวิตเขาก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเนาะตรงนั้นนั่นนั่นคือสิ่งที่พูดถึงเรื่องของเนี่ยความความรู้ความชํานาญที่เรามีเนาะความรู้ความชํานาญที่เรามีที่เราจะเอามาปรุงเนาะให้มันเป็นเรื่องราวต่างๆตามความรู้ความชํานาญของเราในแต่ละคนตรงนี้เนี่ยธรรมะก็เหมือนกันไม่ว่าเราเนี่ยจะเจอธรรมะเมื่อไหร่แต่ถ้าหากว่าเรามีศรัทธาเนาะแล้วเราก็มีความเพียรที่จะปฏิบัติตามนั้นเนี่ยการที่จะมีธรรมะอยู่ในตัวเราเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะใช่ไหมฮะอย่างที่ในพุทธการเนาะก็จะมีคําบอกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเนาะปฏิบัติธรรมแล้วก็มีธรรมอยู่ในตัวเรามีธรรมอยู่ในตัวเราแล้วเราก็เอาธรรมนั้นไปใช้เนาะนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นลําดับเป็นลําดับไปการที่เรากําลังยกมือสร้างจังหวะกันเนาะเราก็ใช่ไหมฮะเราก็พัฒนาอะไรพัฒนาสติเนาะให้เป็นตัวมองเห็นธรรมในตัวเรา สติก็จะคอยเนาะดูกายที่เคลื่อนไหวเนาะคอยดูใจที่คิดนึกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สติก็จะดูกันอยู่สองเรื่องดูเรื่องของกายดูเรื่องของใจหลวงพ่อมเขียนก็บอกบอกว่าถ้าเราดูทุกวันทุกวันทุกวันเนาะเราก็จะรู้ไปเองตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเราเนาะรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งมีคนแนะนำบอกโอ้คนนี้ชื่อแดง วันที่เราร eh uh, MM.> ู้จักกันวันแรกก็คือร voilà ู้จักแต่ชื่อแต่พอหากว่าเราคบกันไปนานๆคบกันไปนานๆดูกันไปนานๆดูกันไปนานๆเขาเรียกว่าเราจะรู้จักเขาสนิทขึ้นสนิทขึ้นจะมีข้อมูลในตัวเขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ้อคนนี้เป็นอย่างงี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยเราดูไปก่อนเนาะดูไปก่อน ดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกอย่างเงี้ยนะดูไปก่อนเราดูอย่างเงี้ยนะดูแยกให้ชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องของกายอันนี้เป็นเรื่องของใจดูแบบนี้ไปดูแบบนี้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนาะเราก็จะมีข้อมูลเนี่ยตรงเนี้ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้บอกให้ลองดูนะว่า ข้อมูลที่เกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจของเราเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยข้อมูลนี้เนี่ยมันจะบอกเราว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราใจนี้ไม่ใช่ของเราก็เป็นธรรมะที่เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยได้ยินนะเพราะว่ากายนี้ก็เป็นของเราเนาะใช่ไหมฮะเราก็อยู่กับตรงนี้ผิวดำผิวขาวนะผมเส้นใหญ่ผมเส้นเล็กอะไรต่างๆนานา น, นี้ผมเราเส้นเล็กนะฮะใช่ไหมฮะอย่างนั้นก็ผิวเราผิวดา ตรงนี้นะีก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของกายที่เราเคยรู้จักแต่พอธรรมะบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเนาะอันนี้ก็เอ้มมันก็แบบว่าฟังดูเหมือนไม่น่าใช่แต่ว่าถ้าเราเคารพเนาะพุทธเจ้าเคารพเนาะแบบว่านับถือพุทธกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องลองดูแล้วก็จากการปฏิบัติธรรมอย่างที่เรากําลังทํากันอยู่เนี่ยเราเริ่มต้นที่ เรามาดูกายดูใจดูกายดูใจตรงนี้เนี่ยข้อมูลที่เราดูได้เรื่อยๆดูได้เรื่อยๆตรงนี้เนี่ยมันจะบอกเราได้ไหมอย่างในบทสวดมนต์เนาะก็จะบอกเอาไว้นะฮะตรงเนี้ยบอกว่าโอ้ถ้าเรานะเห็นความไม่เที่ยงเนาะเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่มีตัวตนตรงนี้ของกายของใจเราเนี่ยตรงเนี้ยเราจะหมดความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ใจนี้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นหลักเนาะ ที่เป็นหลักที่น่าสนใจมากว่าเราเนี่ยเพราะยึดมั่นถือมันในกายนี้ใจนี้อยู่ตัวตนของเราก็ชัดเจนอยู่อะไรที่เราทําไปใครมาขัดขวางก็น่าดูเนาะ อ, อะไรเงี้ยอะไรที่เราทําไปก็ต้องเป็นของที่ดีกว่าคนอื่นอะไรต่างๆนานามีของเรามีของเขามีอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ซึ่งล้วนแล้วแต่ทําให้เกิดมีปัญหาทําให้เกิดมีความขัดแย้งทําให้เกิดมีความทุกข์ในที่สุดทั้งหมดเนี่ย นั่นนั่นคือตรงนี้ฮะว่าเวทีที่เรากําลังอยู่กันตรงนี้เวทีที่เรากําลังทํากันอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าบางครั้งสิ่งที่เราได้ยินเนี่ย <th im ell ian> ก็เหมือนไม่จริงสิ่งที่เราได้ยินอาจจะเป็นเคยกันเป็นการได้ยินในครั้งแรกๆ แ, แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ขอให้พวกเราแบบว่าใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆเพราะว่าสิ่งที่เราต้องพิสูจน์กันเนี่ยก็เป็นสิ่งนี้ละ่ะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย มาทําดูแล้วลองพิสูจน์ดูว่าสิ่งนี้จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ก็ไม่มากนะฮะนั้นะไม่มากพระพุทธเจ้าบอกว่าตรงเนี้ยนะมันมีกฎของไตรลักษณ์อยู่เนาะมันมีความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนแบบเนี้ยเนาะมันเป็นสิ่งที่เราลองดูกันเราลองดูกันจากการที่เราปฏิบัติทำกันตรงนี้เนี่ยเราลองหาคําตอบว่ากายเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ใจเราเป็นอย่างงี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าหากว่าเราจับโจ์ตรงนี้ดีๆเนาะอย่างนั้นแล้วเราก็ลองสังเกตดูวันนึงเนาะการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาทั้งมันของเราเดี๋ยวบางช่วงเนาะเราก็ทําได้ดีเดี๋ยวบางช่วงเราก็ทําไม่ได้ดีเนาะอย่างเนี้ยเนาะมันหมายถึงอะไรอ๋ออย่างเนี้ยมันหมายถึงความไม่เที่ยงเนาะเดี๋ยวก็ทําได้เดี๋ยวก็ทําไม่ได้มันไม่แน่นอนเนาะอย่างนั้นหรือว่าเนาะพอเวลาที่ ทำไม่ได้เนาะเราก็บิดตกพอเวลาที่เราทำได้เราก็ดีใจอย่างเงี้ยเนาะก็เรียกว่าตรงเนี้ยใจเนี่ยมันเป็นยังไงกันเนาะอย่างเงี้ยใจมันทนไม่ได้กับการที่เราทำไม่ได้เนาะใจเราไม่อยากมีไม่อยากได้ตรงนั้นนั่นนั่คือตรงนี้เนี่ยใจเรามันก็มีอาการของความเป็นทุกข์เนาะตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เนี่ยถ้าหากว่าเราสังเกตแบบนี้เนี่ยเป็นวันวันวันๆไปเนาะ เนี่ยเราจะพบว่าสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้มีปรากฏให้เราเห็นเนี่ยตลอดเวลาเนาะมีปรากฏให้เราเห็นตลอดเวลาสิ่งที่เราเดินอยู่เนาะเอาเดินอยู่แบบอืมตอนนี้ก็เดินตอนเช้าอาจจะเริ่มเดินแล้วก็ปวดป ด, ปดไม่เมื่อยปรากฏว่าความปวดเมื่อยท่านั้นมันก็หายไปพอเดินตอนบ่ายก็เดินได้ดีเนะี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สิ่งที่สัแดงออกมาตรงนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบสรุปแต่ว่า เราเองเนี่ยดูเอาไว้ดูเอาไว้เนาะดูแล้วก็จําเอาไว้ดูแล้วก็จําเอาไว้สิ่งต่างๆนาน า, นาที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจัดให้มันเป็นหมวดหมู่นะหมวดหมู่ไหนที่มันเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงหมวดหมู่ไหนที่มันเป็นเรื่องของความเป็นทุกข์หมวดหมู่ไหนที่เราบังคับบัญชามันไม่ได้ตรงนี้เนี่ยของที่เราบองว่าเป็นของเราเนี่ยใช่ไหมเราเนี่ยบังคับก็ได้แค่ไหนอย่างเงี้ยมําตับปอดหัวใจที่มีอยู่เนี่ยเขาก็ทํางานเขาเองทั้งหมดนะอย่างนั้น นั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยเราจะบอกบอกว่าอืให้เขาเต้นช้ากว่านี้สักหน่อยให้เขาเต้นเร็วกว่านี้สักหน่อยอะไรเงี้ยก็ทําไม่ได้บางทีกินข้าวเข้าไปเนาะกระเพาะ อ, อาหารไม่ย่อยเราจะสั่งใ ห, ห้ก็บอกเอ้านี่ย่อยให้หน่อยย่อยให้หน่อยก็ไม่ได้นั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าสิ่งต่ตางๆนาที่ปรากฏอยู่กับเราทุกๆมันตรงนี้เนี่ยเราเคยเป็นทุกข์เป็นสุขกับมันวันไหนที่ก็ทํางานได้ก็ดีใจวันไหนที่ก็ทํางานไม่ได้ก็เสียใจตรงเนี้ยเนาะ เราละความพอใจไม่พอใจตรงนั้นเอาไว้เนาะเราจัดบมวดหมู่ของเขาให้มันเข้าหมวดหมู่ของไตรลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ถ้าหากว่าพวกเราทํากันอย่างนี้เนี่ยคําตอบเนี่ยจะมีแน่นอนเนาะอย่างนั้นนะจะมีแน่นอนแล้วก็คำตอบตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอะไรเอาไว้อะบอกไม่ผิดนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรายอมรับกันแล้วที่ยังนั่นนึงคือตรงเนี้ยเพียงแค่เราเริ่มทากรรมฐานเนาะ จากอย่างที่บอกว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยบอกเอาไว้เนาะเนี่ยเรารู้สึกตัวเริ่มจากคำรู้สึกตัวเนี่ยตรงเนี้ยรู้สึกกับอะไรรู้สึกได้ไหมเนาะว่ามีการเคลื่อนไหวของร่างกายรู้สึกได้ไหมว่าใจมันคอยรับรู้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเนี้ยรู้สึกเฉยเไม่ต้องคิดอะไรก็รู้อยู่แล้วเนาะมีการเคลื่อนไหวเราก็รู้มีการเคลื่อนไหวเพราะว่า14จังหวะที่หลวงพ่อเทียนบอกให้ไว้เนี่ยจริงๆ memo, อะมีแค่2จังหวะเท่านั้นเอง มีจังหวะเคลื่อนกับจังหวะหยุดจังหวะเคลื่อนกับจังหวะหยุดเนาะแต่ว่านั่นคือแบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบลงเนี่ยมันก็มีจังหวะเคลื่อน14ครั้งจังหวะหยุด14ครั้งก็ถือว่าเป็นกระบวนท่าหนึ่งอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยฮะว่าเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุดเพราะมีการหยุดก็รู้ว่ามีการเคลื่อนเพราะมีการเคลื่อนก็รู้ว่ามีการหยุดตรงเนี้ยก็มีแค่2อย่างตรงเนี้ยนั่นนั่นคือมันไม่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าสสงัยเนะ แต่ว่าความสงสัยอาจจะเกิดขึ้นมาว่าแค่นี้หรือเนาะแค่นี้หรือเนาะจะทําให้เราเข้าใจอะไรต่างๆนาะนาะหลวงพ่อพเขียนก็จะบอกบอกว่าอย่าเพิ่งเอาเหตุเอาผลอย่าเพิ่งเอาถูกเอาผิดเราทําไปก่อนเราทําไปก่อนตรงเนี้ยเนาะเป็นสิ่งที่เนี่ยให้เราเนี่ยตั้งใจว่าพวกเราเข้ามาเนาะจะเข้ามากันกี่วันก็ตามเนี่ยลองทําแบบนี้ดูลองทําแบบนี้ดูรับรองได้เลยว่า สิ่งที่พระพุทธจ้าจัดบทหมู่เอาไว้ให้ในเรื่องไตรลักษณ์ของกายของใจเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะปรากฏให้เราเห็นแน่แน่แน่นอนเราไม่เห็นวันนี้ก็เห็นวันหน้าถ้าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติเนาะปฏิบัติธรรมถ้าเราตั้งใจที่จะมองกลับมาเนาะถึงกายเราถึงใจเราบางคนก็มีคําถามเนาะบอกว่า ทำซ้ํำๆกันอย่างเงี้ยน่าเบื่อนะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างนั้นบางทีก็บอกบอกว่าสวดมนต์เนาะซ้ำๆซ้ํากันทุกวันก็น่าเบื่อนะอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่ว่าสวดมนต์หรือทําซ้ําๆกันนะพวกเราทํางานอยู่ทุกวันเราก็เบื่อเหมือนกันตรงนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานซ้ําๆกันทุกวันเราเบื่อทุกวันจริงหรือเปล่าก็ไม่เบื่อทุกวันเนาะบางวันก็เบื่อบางวันก็อยากทํา สุดมนก็เหมือนกันบางมันก็เบื่อบางมันก็อยากทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยให้ความชอบความไม่ชอบเนี่ยมาครอบงำเราเราก็จะไม่เห็นความเป็นจริงการที่เราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมเนาะแบบบางทีก็เรียกว่าบิปัสสนานะนเนาะก็เรียกว่าเห็นความจริงอย่างวิเศษคือตรงนี้เนี่ยการที่เราปฏิบัติธรรมกันตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ได้ประเมินนะ ไม่ได้ประเม e ินการประเม e ее, ินเนี่ยอาจจะเป็นการมองผัดผาดไปอ๋อในห้องนี้มีประมาณ60คนอันนี้ก็เรียกประเม e ินเนาะแต่ถ้าหากว่าเราจะเอากันจริงๆจรงจั ง, จ ง, จงก็คือนับกันเลยมีผู้หญิงกี่คนมีผู้ชายกี่คนอันนี้ก็เรียกว่าลงรายละเอียดกันอันนี้คือเขาเรียกว่าวิปัสสนาก็ได้ธรรมวิดายะก็ได้เนาะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยการที่เราเนี่ยค่อยๆเนาะแยกแยะรายละเอียดให้ชัดเจนเนี่ยเราจะไม่คุมเครือ ทางการปฏิบัติธรรมของทางสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ถึงว่าจะได้ให้ความอเขาเรียกว่าให้น้ําหนักเนาะกับการแยกส่วนที่เป็นเรื่องของกายเรื่องของใจออกมาเป็นส่วนๆ น, นั่นนั่นคือตรงนี้คําแนะนําก็เริ่มต้นเลยเนาะดูกายเคลื่อนไหวเนาะเอาใจมาค่อยรับรู้แล้วก็แยกส่วนกันไปแต่แรกเพราะฉะนั้นนั่นคือเมื่อเราแยกส่วนกันไปแต่แรกเนี่ย อะไรที่เกิดขึ้นกับกายอะไรที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยเราจะไม่สับสนเหมือนเดิมตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้พวกเรามองเนาะอย่างในประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะหลายๆคนเนี่ยใช่ไมฮะอย่างอทิเช่นเนาะมีญาติธรรมคนหนึ่งบอกโอ้ปวดท้องมาสามวันแล้วใช่ไมบอกโอปวดท้องมาสมวันเป็นเรื่องหนักเนาะใช่ไหมฮะปวดสามวันแต่ว่าในเรื่องของก็เรียกว่า การปฏิบัติธรรมเนี่ยการปวดท้องสามวันเราก็ต้องถามกันนะมีปวดมากไหมมีปวดน้อยไหมใช่ไหมฮะคนที่บอกปวดมาสามวันแล้วก็บอกว่ามีนะปวดมากก็มีปวดน้อยก็มีถามว่าเออปวดมากก็มีปวดน้อยก็มีและไอ้มันไม่ปวดเลยมีไหมก็มีอย่างเงี้ยพอเป็นเรื่องที่ปวดมากมีปวดน้อยมีไม่ปวดก็มีการปวดต่อเนื่องกันสามวันมันชักไม่จริงแล้วนะ เพราะว่านั่นคือมัอนเป็นเรื่องมันอาจจะปวดต่อตกันสามวันแต่ว่านั่นคือปวดมากก็มีปวดน้อยก็มีอย่างเงี้ยไม่ปวดก็มีพอเราค่อยๆถามเนาะบอกว่าเออไม่ปวดยังไงปวดยังไงตอนไหนอะไรยังไงตรงเนี้ยพอเราค่อยๆเนาะหาต้นเหตุได้เนี่ยเราก็จะค่อยๆแก้ไขได้ตรงนี้ชีวิตเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแบบนี้เนาะสับสนปนเปกกันไปหมดไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ พอไม่รู้ต้นสายไปยเหตุเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นปัญหานั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยพวกเรามาปฏิบัติทำกันมาดูความจริงของชีวิตกันอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรที่มันตั้งอยู่อะไรที่มันดับไปตรงเนี้เป็นภาษาธรรมเนาะแต่ว่านั่นคือไอ้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงเนี้ยอะไรก็ตามที่เกิดเกิดกับกับตัวเราเนี่ยเรามักจะไปโวยวายเอาไอ้ตอนที่มันตั้งอยู่แต่เราเนี่ยไม่ทันได้เห็นการเกิดขึ้น และไม่ได้เห็นการดับไปของเขานั่นคือตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทําเรื่องเดียวนี้แหละแต่ว่านั่นคือเราจะได้เห็นเนาะโอ้ไอน้นี่มันค่อยๆเกิดแบบนี้เนาะมันดําลงอยู่นะมันตั้งอยู่แบบนี้เนาะแล้วมันก็หายไปแบบนี้เนาะวันแล้ววันเล่าวันแล้ววัเล่าสิ่งต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราแค่ดูเรื่องของกายเรื่องของใจเท่านี้เองเนี่ยก็เรียกว่าท้ายสุดเนี่ยเราก็จะมีความรู้ความชานาญ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เราทำเองจริงๆกับมือเนาะเหมือนกับเราซ่อมรถเป็นเราซ่อมไฟเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อเราทำจริงๆกับมือเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่ามันจะเป็นเรื่องของเรามันจะอยู่ในตัวเราแล้วมันจะไม่หายไปไหนและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้จำใครมาเราเราเองก็เรียกว่าจะรู้จริงเห็นจริงนั่นนั่นคือตรงเนี้ยให้พวกเราเนาะก็ได้ตั้งใจกัน ตั้งใจทำเท่านี้แหละเนาะทาเท่านี้แหละแล้วก็การรู้จริงเห็นจริงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเราแล้วก็ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยที่บอกเอาไว้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่พาพวกเราเนี่ยพ้นทุกข์ได้เพราะว่านั่นคือวิชาที่เราได้เรียนเนี่ยมันจะสะสมเป็นปัญญาแล้วตัวปัญญาเนี่ยจะพาพวกเราพ้นทุกข์ก็ขอให้พวกเราเนี่ยตั้งใจกันทุกคนแล้วก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติแบบนี้เนาะอย่าเพิ่งลังเลสงสัยเลยทําไปก่อน แล้วเราค่อยๆดูค่อยๆดูว่าสิ่งที่ชีวิตของเราเนี่ยได้รับวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พาพวกเราเนี่ยพ้นทุกตามนํำดับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยความไม่มีทุกที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นของพวกเราทุกคนก็พวกเราก็กลับพร้อมกัน